แล้วก็เป่าให้มันลอยไปมันไปติดกออไยอยู่ใกล้ๆกับบ้านเขานะ่ะไฟมันก็ลุกโหมขึ้นพระแตกเตือนไปช่วยกันดับโอยแบบเนี้ยแบบอัปรีแบบนี้เอาไว้ไม่ได้พระเดี๋ยวมันลุกลามไปไหม้ชาวบ้านนะตายเลยเราไอ้โซนอย่างอื่นนะ่ะมันก็พอเลี้ยงได้แต่โซนแบบชิบหายเนี่ยมันไม่ไหวแล้ว